เชิญออทอมยศธรรมทุกท่านนะเราก็มาพบกันนะเพื่อเราจะได้ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเนะาะเพราะว่าทำทั้งหลายนะมันคือเป็นสิ่งที่เราต้องประคือปฏิบัติเองไม่มีใครช่วยกันได้นะ เราก็ได้เพียงแค่บอกแค่สอนแค่แนะนำนะนะแต่สิ่งที่ทุกทุกท่านต้องต้องเอาไปกระทำเองนะการกระทำนะนะคือกรรมนะบางทีเราไปคิดว่านะเรื่องกรรมคือเรื่องของวิบากคนะือผลของกรรมเนะี่ยคนไทยจะคิดถึงแต่กรรมในแง่นั้น แต่นั้นเขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมมาเป็นผลจากอดีตที่เคยทำคำว่าวิบากกรรมนันก็เป็นคำกลางๆนะวิบากในทางที่ดีนะก็มีนะที่เราบางทีเราก็เรียกว่าเรามีโชคเรามีลาววิบากในทางไม่ดีนะในทางบาปก็มีนะเราก็เรียกเป็นเวนเป็นกรรมไปแต่จริงวิบากกรรมก็คือผล ผลของกรรมที่เคยกระทํามานั่นแหละเป็นกรรมกลางๆเราพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเน้นแก้ตรงที่วิปากกรรมนะ อ, มอืนาทีคนไทยเราหลายคนไปหลงไปหลงเรื่องแก้กรรมไปหลงเรื่องไปสะเดาะเคาะไปอะไรไปด้างอดีตต่างๆแต่ที่พระพุทธเจ้าท่าสอนคือท่านให้เราทํากรรมใหม่นะกรรมนะในที่นี้คือกรรมใหม่ การแปลว่าการกระทำนะการกระทําใหม่ในปัจจุบันนี่แหละนะมันจะส่งผลให้ชีวิตเรามันไปในทางที่ถูกที่ควรนะกรรมที่กรรมใหม่ที่เราทํานะถ้าจะพูดง่ายๆก็ตามลักษณนะกรรมนี่ยนี่คือไม่ทําความชั่วเนะี่ยคือกระทํานะกระทําโดยการไม่ทําความชั่วทํากรรมโดยการทําความดีนะ แล้วอย่างหนึ่งคือทํากรรมโดยการที่ชาระจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นนะจะเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวกรรมฐานก็ได้นะแต่จริงถ้าถ้าเราทํากรรมฐานนะทําจิตใจให้บริสุทนธะิ์ก็เป็นการละความชั่ ว, เ ป, ว, วเป็นการทําความดีไปพร้อมตัวนะไปด้วยกันแต่บางทีบางทีละความชั่วเพราะกลัวก็มีนะไม่ใช่ ไม่ใช่ละได้ใจจริงๆก็มีกลัวคนอื่นเขาเห็นกลัวคนอื่นเขาตำหนิกลัวเพราะว่าเราเป็นคนไม่ดีบางทีทำความดีด้วยความเกรงใจก็มีนะ <c oughs> มีคนมาชวนนะก็เกรงใจก็ทำหรือทำไปเพราะว่าสัางคมเขายอมรับนะก็มีแต่ถ้าเราทำนะทาจิตทำใจให้ให้บริสุทธิ์จริงๆนะเราก็ละความชั่วไม่ใช่ละเพราะว่ากลัว กว่าคนเขาจะเห็นกว่าคนก็จะรู้ละความชั่วเพอะรู้ว่านะีมันทําแล้วจิตใจไม่สบายจิตใจเป็นทุกข์นะเราทาความดีนะพราะรู้สึกว่าทําแล้วจิตใจมันสบายจิตใจมันมีความสาุขนะจิตใจมีความไม่กังวลเกิดขึ้นมานี่คือกรรมฐานนะที่เราทําการทํากรรมฐานเนะี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะ สิ่งที่เรามาปฏิบัติคือการการมาทําความรู้สึกตัวเนาะนะการเจริญสตนะิก็มาเน้นย้ําำนะเรื่องการเจริญสตนะิการเจริญสติมาอยา่าบางทีมาใช้คำว่ามันเป็นกลางกลางนะมัเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปกังวลว่าเราปฏิบัติเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนา การเจริญสติมันเป็นตัวกลางๆที่มันเหมือนจะว่าได้ทั้งสมถะก็ได้ได้ทั้งวิปัสสนาก็ได้นะบางทีมันแยกไม่ได้หรอกนะบางทีในขณะที่เราปฏิบัตินะวันวันหนึ่งเนี่ยนะบางครั้งจิตมันก็เป็นสมถะบางครั้งจิตมันก็เป็นวิปัสสนาแต่การเจริญสติมันจะเป็นตัวปรับนะปรับเอบางทีบางคนติดสมถะแล้วไม่รู้ตัวนะมันก็จะสงบมันก็จะนิ่ง มันก็จะไม่อยากที่จะไปรู้อะไรนะสติก็จะเป็นตัวดึงจิตให้ขึ้นมาบางทีมันนิ่งนะเคยนั่งสมาธิไหมถ้ามันนิ่งถ้ามันสบายนะมันก็ไม่อยากจะรู้อะไรนะมันอยากจะสบายนะอันนั้นคือจิตมันนิ่งเกินไปละสติก็ดึงสติ ก, กันมาขึ้นอ่นะเราก็หายใจแรงขึ้นนะเราก็ขยับตัวให้มีสติมากขึ้นอันนี้คือ เราก็จะดุดออกมาจากการติดติดนิ่งติดสงบติดขี้เกียจแต่บางครั้งเราเจริญปัญญานะจิตเจริญปัญญามากไปมันก็เหนื่อยสติก็ทําให้ได้พักบ้างนะได้พักบ้างการเจริญสตินะ่มันเป็นตัวปรับสมดุลให้ให้เรียกว่าเราเดินทางไปได้เรื่อยๆนะหลวงพ่อคงเขียงบา ท, ท่านก็เลยใช้ว่า การทำความรู้สึกตัวเนยะหรือการเจริญสตินะ่ะจะเรียว่าเป็นทั้งเบื้องต้นเป็นทั้งท่ามกลางแล้วก็เป็นทั้งที่สุดของการประพฤติพภูมิจันอะร์มันเป็นแบบนั้นจริงนะมันเป็นความรู้สึกตัวเนะี่ยนคือการที่เราดูเนื้อรู้ตัวที่ปัจจุบันนะดูเนื้อรู้ตัวก็คือรู้กายรู้ใจเนี่ยแหละนะ พยายามทำความรู้สึกตัวนะรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้นะเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างมันเป็นสัแต่ว่าร่างกายนะหรือเป็นรูปนะ่ะสิ่งต่างก็เป็นสัตวแต่ว่าอาการของจิตใจนะก็คือนามนะในโลกนี้มีแต่รูป ก, กับนามนะหาความเป็นตัวเราเป็นของของเรานะ่ะไม่มีนะมันมีแต่รูป ก, กับนามนะมีแต่รูป ก, กับนาม นะที่เรารู้สึกตัวนะเราจะยกมือสร้างจังหวะ ก, ก็ดีนะเราจะเดินจมกลมก็ดีเราจะทําอะไรก็ดีนะเราก็เพียงแค่รู้สึกนะรู้สึกนะถ้าจะพูดแยกให้ชัดหนึ่งนะแต่ก็อย่าไปติดภาษามากนะพูดให้แยกชัดให้เป็นเห็นเป็นอาการถ้าเราปฏิบัติอนะ่ะมันจะเข้าใจแบบนี้นะอย่างเช่นเวลาเดินนะเวลาเดิน ไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่าเราเดินเราเป็นผู้เดินนะหรือบางคาก็พูดว่ารู้ว่าเดินนะะมันก็ยังเป็นสมมติมากนะมันยังไม่ใช่ของจริงแต่รู้สึกตัวจริงๆนะเดินเรารู้สึก <c oughs> ไม่ใช่รู้สึกว่าเราเดินนะบางทีบางคนบอกรู้สึกตัวที่ปัจจุบันเช่นทำอะไรก็ให้รู้เช่นล้างจานก็ให้รู้ว่าล้างจาน กวาดบ้านก็ให้รู้กวาดบ้านกินข้าวก็ให้รู้ก็กินข้าวถ้าเป็นอาการที่มีสติจริงมันจะไม่รู้แบบนั้นมันจะกินข้าวก็รู้กวาดบ้านก็รู้นะเดินก็รู้มันจบที่รู้นะไม่ใช่ไปจบที่สมมุตินะกวาดบ้านกินข้าวเดินเนะี่ยมันเป็นสมมุติเป็นเป็นกิริยา แต่ตัวรู้นะที่จริงมันมันต้องมาจบที่รู้นะทำอะไรก็รู้แม้แต่อาการของจิตนะบางทีก็พูดแบบสมมติให้เข้าใจง่ายๆนะเช่นโกรธก็รู้ว่าโกรธนะโลบ ก, ก็รู้ว่าโลภอยากก็รู้ว่าอยากแต่แทแต่ถ้ามันรู้แบบเป็นปรมามัิเป็นความจริงๆนะโกรธก็แค่รู้โลภ ก, ก็แค่รู้อยากก็แค่รู้ <c oughs> บางทีถ้าเราไปต่อไปแยกนะอันนี้โกรธอันนี้อยากอันนี้สุกนะบางทีมันจะไม่ค่อยจบนะเพราะว่าบางทีเช่นโกรธแล้วก็อาจจะไม่ชอบนะไม่ชอบที่มันโกรธสุขก็ จ, จะชอบที่มันสุกนะมันไม่รู้เฉยแต่ถ้าโกรธก็แค่รู้นะโลภก็แค่รู้อยากก็แค่รู้สุขก็แค่รู้เนะี่ยมันจบที่รู้นะ จบที่รู้เนี่ยมันปกติเลยแต่บางทีมันก็บังคับหรือว่ามันจะไปสั่งให้มันแค่รู้เฉยๆแบบนั้นไม่ได้นะแต่บางทีพอมันรู้แล้วนะ่ะมันเกิดความพอใจมันเกิดความไม่พอใจขึ้นมานะ่ะให้เราตามรู้มันอีกทีหนึ่ง oh. คือเช่นพอใจนะก็แค่รู้ไม่พอใจก็แค่รู้เมื่อไหร่นะถ้าจิตเรา เพียงแค่รู้นไม่ว่าจะรู้กายก็ดีนะรู้ใจก็ดีถ้ามันจบทีกตัวรู้จบเพียงแค่รู้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรต่อละคิดก็แค่รู้เนี่ยมันจะจบแต่ถ้าคิดแล้วรู้แล้วก็ยังไปชอบในความคิดเนี่ยจะไม่จบนหรือว่าโกรธแล้วก็ยังรู้สึกไม่ชอบที่มันโกรธเนี่ยมันจะไม่จบะแต่ถ้ารู้เนี่ย ถ้ารู้นี่ยมันจะจบแต่บางครั้งก็อย่างที่ว่าถ้ามันไม่จบเราก็ตามรู้มาทีนึ่งอ่ามันไม่พอใจเราก็รู้มันพอใจก็รู้เพราะว่าการเจริญสตินะนะการรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะที่จริงมันเป็นรู้อาการรู้อาการของรูปรู้อาการของนามแต่มันจะทําให้เราเกิดปัญญา ปัญญาคืออะไรถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะคือถ้ารู้แล้วมันยังถอนความพอใจและความไม่พอใจเนะี่ยมันยังไม่ใช่รู้ด้วยปัญญานะอนะอันนั้นเรียกว่ารู้ด้วยสตินะแต่ถ้ารู้ด้วยปัญญามันจะเห็นว่าโอ้เนะี่ยมันมีความพอใจมีความไม่พอใจเราถอนออกเส้ยะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกได้เนะี่ย นี่คือรู้แบบรู้แบบไม่ยึดติดนะรู้แบบปล่อยวางอย่างบางทีบางทีถ้าเราฟังฟังไม่แตกบางทีเราไม่เข้าใจสภาวะจริงจริงบางทีคนปฏิบัติใหม่จะกลัวบางทีบางทีพอฟังว่าสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอานะให้ละสุขให้ละทุกข์ไนงะ ไม่ใช่ว่ารัสุขนี่คือให้ไปทำลายความสุขนะหรือรักทุกข์ให้ไปทำลายความทุกข์นะคำว่าไม่เอาเนี่ยคือไม่ยึดนะคือสุขก็รู้ว่าสุขแต่ไม่ไปยึดในความสุขคือมันยังมีความสุขอยู่นะเออเช่นเนี้ยเช่นสมมติอากาศเนาะอากาศมันก็มีแอร์ก็เย็นสบายในระดับหนึ่งอ่ามันก็มีความสุขกายนะสุขเออเราก็รู้นะ ไม่จะเป็นว่ยสุกเลยมันสุขไม่ใช่ต้องไปปิดให้มันร้อน <c oughs> ไม่ใช่นะอืมเวลาปฏิบัติธรรมทีมันก็มีปิดติขึ้นมานะมีความสุขขึ้นมามีความสบายขึ้นมาเราก็รู้แค่นะั้นจบเลยไม่ใช่ไปทําลายปิดติไปทําลายความสุขอะไรนะ <c oughs> พอมันพอมันดูแล่ยนะจิตก็เป็นกลางจิตก็ตั้งมั่น ปิติหายมันก็จะไม่เป็นไรเพราะเรารู้แล้วว่าคือเราไม่ไมเราไม่ไปยึดมานะพอมันหายไปมันก็แค่รู้ว่ามันหายไปก็จบนะความสุขหายไปก็จบก็แค่นั้นรวมทั้งความทุกข์ก็เหมือนกันนะความคิดอกุศลความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะถ้าเราเป็นแค่รู้เนะี่ยมันจะดับหรือไม่ดับเนะี่ยไม่เป็นไรนะ เราก็แค่รู้นะพอมันมันไม่ดับนะเราก็แค่รู้เฉยๆเนี่ยจิตก็ไม่เป็นทุกข์ละ <c ười> แต่ถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเรามีความอยากเรามีความคาดหวังเจือในขณะที่ปฏิบัติธรรมนะมันจะเหมือนเช่นบางทีเราปฏิบัติแล้วมันฟุ้งซ่านเนาะปฏิบัติแล้วมันง่วงนอนเน่ทีเราก็เพียเราก็ปฏิบัติยอยู่เราก็ทำํำอยู่ แต่พออาการพวกนั้นมันยังไม่หายเนะี่ยแต่จิตลึกๆมันจะรุนเมื่อไหร่จะหายเดินจงกรมก็เมื่อไหร่จะหายง่วงเนะเดินจงกรมเมื่อไหร่จะสงบแบบะไรนะคือยังมีความคาดหวังยังมีความอยากอันนี้คือมันเจือด้วยตัณหาอยู่ข้างในในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเฉยนะง่วงก็อันหนึง่งฟุ้งซ่านก็อันนึง แต่เราก็รู้สึกตัวไปมันไม่หายก็เห็นว่ามันยังมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เราทำอยู่ก็คือทำคลองรู้สึกตัวอยู่มันก็จะแยกกันมันก็จะแยกกันไอ้ที่มันุ้งก็อันหนึ่งไอ้ที่มันง่วงก็อันนึงแต่ใจที่รู้สึกตัวก็อันหนึ่งมันก็จะแยกกันมันไม่หายก็ไม่เป็นไรมันหายก็ไม่หลงบาทีพอถ้าเราไปรุนนะ มันก็จะหลงสองแบบคือตอนที่มันไม่หายเราก็รุนว่าเมื่อไหร่มันจะหายพอมันหายไปแล้วเราก็หลงไปดีใจเนี <c> ่ย <oughs> คือหลงไปดีใจหรือปฏิบัติบางครั้งเราก็ดุนเมื่อไหร่จะสบายเมื่อไหร่จะมีความสุขนะตอนมันยังไม่มีเราก็เราก็เป็นทุกข์เราก็กังวลนะ่เมื่อไหร่มันจะได้พอมันได้มาแล้วเราก็ดีใจเลยเนะี่ย อันนี้คือหรือมันไม่ได้มนาะอย่างที่เราคาดหวังเราก็เสียใจนะภาวนาจริงนะคือเนะี่ยถอนความพอใจและความไม่พอใจในอารมณ์ได้แต่พวกนี้มันจะละเอียดมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวคล้ายๆตัวความอยากเนาะตัวความพอใจและความไม่พอใจเนะี่ยมันจะเข้ามาแทรกนะมันจะเข้ามาแทรกเพราะว่าเรา ยังมีความเรีว่าใจยังไม่เป็นกลางจริงๆเนาะใจยังไม่เป็นกลางกับสภาวะซึ่งพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่า อ, อมันมันผิดเตจนแก้ไขไม่ได้นะนะแต่พูดให้รู้ว่าอ๋อเวลาเราปฏิบัติถ้าเห็นพวเนี้ยให้เรารู้เท่าทีนะเพราะเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยเราจะมีความไม่เป็นกลางกับสภาวะเนี่ยเยอะมาก จะเรียกว่าเป็นอคติก็ได้นะอคติอคติเพราะรักอคติเพราะช้ำอคติเพราะกลัวอคติเพราะโกรธนะอันนี้ถ้าเรามีอคติกับคนอื่นนะบางทีก็อาจจะชัดเจนแต่การมีอคติกับอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันจะเห็นยากอ่าอคติเพราะรักนะคือรักอารมณ์นี้นะรักอารมณ์ที่มันสบายสบายนะ รักอารมณ์ที่มันมีความสุขเนี่ยอัคติเขารักนะอคติเขาโกรธนะโกรธที่มันไม่สงบโกรธที่มันง่วงนะอัคติเขากลัวบางทีนั่งแล้วมันปวดเมื่อยกลัวว่าถ้าปวดเมื่อยตัว น, นี้จะไม่สบายนะง่วงนอนนะบางทีก็กลัวกั้งบนว่า เดี๋ยวจะไม่ไหวนะี่ยไปกินกาแฟดีกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่านะอาืมอเพราะหลงนะหลงคิดว่ามันเป็นของเที่ยงนะหลงคิดว่ามันเป็นของเรานะคือที่จริงคำวา่าอสติในที่นี้คือมันก็คือตัวที่เราเห็นผิดเนาะเราก็เลยไปยึดมั่นใจไม่เป็นกลาง แต่ไม่ต้องกังวนมากนะคือที่พูดก็คือให้เรารู้เท่าทันการปฏิบัติธรรมนะนะคือการเจริญสติเนะี่ยมันเป็นทางปฏิบัติสู่ทางสายการเนาะสู่ความพ้นทุกทางสายกลางจริงๆก็คือการรู้เท่าทันความไม่เป็นกลางของจิตใจนี่แหละนะบางทีเราไม่ต้องไป ไปจดจำรายละเอียดทั้ง8ปดข้อทั้งหมดก็ได้นะแต่ถ้าใครจำได้ก็ไม่เป็นไรแต่ที่จริงทางสายลางก็คือทางที่ไม่สุดโต่ในสองด้านนะทางที่สุดโต่งสองด้านถ้าเอาอยง่ายนะด้านหนึ่งคือด้านเพ่งด้านบังคับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านหย่อนด้านปล่อยใจไปกับอารมณ์นะถ้าเรารู้เท่าทันว่าเมื่อไหร่ใจใจมันเพ่ง ใจจะมาเป็นกลางเมื่อไหรที่เรารู้เท่าทันใจที่มันเผลอใจก็จะเป็นกลางนะ <c oughs> อย่างที่ว่าเมื่อไหรเมื่อเมื่อไหรที่เรารู้เท่าทันว่าใจมันมีอคติคือชอบหรือใจมันไม่ชอบเนี่ยใจจะกลับมาเป็นกลางนะทางสายกลางเนี่ยคือทางที่จะเรียกว่ามันเหนือนะเหนือความพอใจเหนือความไม่พอใจ เหนือความสุขเหนือความทุกข์นะมันจะอยู่เหนือไปเราจะเห็นกิเลส น, นะเห็นกิเลสเยอะมากนะถ้าปฏิบัติไปเรื่อยเนี่ยจะจะรู้สึกได้ทําไมมันมีกิเลสเยอะขนาดนี้นะคล้ายๆเหมือนโยม่อเราปกติแบบนี้นเนาะก็ไม่ได้ปกติมากหรอกนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะแต่พอไปหาหมอนะไปตรวจสุขภาพนะถ้าตรวจทั้งหมดทุก ทุกออะไรเยวะเนี่ยก็จะเห็นความไม่ความไม่ปกติเกิดขึ้นหลายอย่างกับจิตกับด้านตายเนะาะพอเราปฏิบัติธรรมไปจริงก็จะเห็นความไม่ปกติเกิดขึ้นในจิตบ่อยนะอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลอย่าไปวิตกนะมันเป็นธรรมชาติเพราะภาวนาจริงๆก็คือมันเห็นเห็นกิเลสนะเห็นความหลงนะ เห็นความไม่รู้เนี่ยแหละนะมันจะทําให้เราเปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนจากความไม่รู้นะกลายเป็นความรู้นะเปลี่ยนจากความรู้ไม่จริงนะกลายเป็นความรู้จริ ง, รงๆขึ้นมาหลวงพ่อเขียนจีิท่านก็เลยพูดง่ายว่าให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นะเปลี่ยนหลงหลงอะไรบ้างเราหลงเยอะนะ หลงทางต า, าเคยหมหลงทางตามันเห็นสิ่งของต่างๆเห็นบุคคลต่างๆเร า, า, าก็หลงไปชอบหลงไปไม่ชอบหลงทางหาูทางเสียงมีความชอบมีความไม่ชอบในเสียงที่เกิดขึ้นมาใช่อืมหลงทางจมูกหลงทางลิ้นหลงทางกายนะก็คือหลงไปกับ อารมณ์ที่มันกระทบนะลงไปกับพัฏฐะที่มันเกิดขึ้นมาแต่บางทีไม่มีสิ่งข้างนอกมากระทบบางทีเราก็หลงทางใจหนะลงทางใจคืออนะยู่ดีก็ใจลอยคิดสิ่งนัตนสิ่งนีนะ้ถ้านอนก็ไปฝันอย่างนั้นอย่างนี้อืมนะอันนี้คือปฏิบัติธรรมมันก็จะเห็นความหลงทางใจเยอะเพราะว่าการกระทบข้างนอกนะ เวเราปฏิบัติในรูปแบบเนาะทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็มันถ้าเราอยู่นที่น้ำเดิมก็จะค่อนข้างชิบนะก็จะไม่ค่อยหลงไปแบบข้างนอกมากแต่มันจะหลงทางใจเยอะบางทีปฏิบัติทำตะกอนเก่าๆในจิตใจมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะอารมณ์ความคิดเหตุการณ์เก่าๆนะมันจะผุดขึ้นมาเยอะ ก็ไม่เป็นไรนะก็ให้เห็นมันหรือบางครั้งก็จะมีความคิดวางแผนโครงการดีๆสิ่งที่นะคิดว่ามีความสุขโผล่ขึ้นมาก็มีนะหรือบางทีก็คิดธรรมะนะคิดปฏะติดตัติต่อคิดเรื่องราวคิดบอกคิดสอนธรรมะก็มีนะก็ให้ดูมันนะให้ดูมันมันก็คือความหลงอย่างหนึง่งนะคือหลงไปคิด ไม่ว่าจะคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามคือความหลงอย่างหนึง่งไม่ว่าจะคิดไปอดีตก็ดีคิดไปอานาคตก็ดีนะที่จริงมันไม่ใช่ไปอดีตหรือไปอนาคตจริงๆนะเพราะความหลงจริงๆก็คือปัจจุบันถ้าจะว่าไปจริงนะชีวิตจริงๆของเราไม่มีอะไรมากไปกว่าแค่ปัจจุบันนะอดีตก็ผ่านไปแล้วนะ อนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึงนั้นความหลงจริงๆก็คือเกิดขึ้นที่ปัจจุบันนะถ้าจะเปลี่ยนความหลงก็เปลี่ยนที่ปัจจุบันนะเปลี่ยนที่ปัจจุบันนะครูบาอาจารย์ก็สอนกรรมฐานนะทุกๆวิธีก็มีกรรมฐานก็คือว่าให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะันะจิตมาดูเนื้อรู้ตัวเนี่ยแหละ อย่างใส่ขอรพลาเทียนเราแล้วก็อาศัยกนะารเคลื่อนไหวนะเป็นการเรียกสติของเราให้กลับมาถ้าจะเปรียบเทียบนะเหมือนเหมือนเราเห็นใครเขานั่งเหมือเนาะใจลอยเราไปสะกฤฤฤฤฤิดเขาเราไปเรียกชื่อเขาก็คือให้เขากลับมาจากจากอาการที่เหมือที่รอยนี่ยแหละการเคลื่อนไหวร่างกายก็คือเหมือนกันก็คือการที่เราเรียกตัวเองให้กลับมาดูเนื้ดูตัว กลับออกมาจากความคิดนะ่ะดูดออกไปจากความหลงนะ่ะนี่คือพยายามทำ บ, บ่อยๆนะทํำ บ, บ่อยๆนะเพราะว่าความหลงเนี่ยมันจะเข้ามาแทรกบ่อยมากนะแทรกบ่อยมากก็ไม่เป็นไรแล้วก็กลับมารู้สึกตัว บ, บ่อยๆกลับมารู้สึกตัว บ, บ่อยๆเราก็จะเห็นกายเคลื่อนไหวนะเห็นใจคิดนึกนะเพราะทียฉนบอกรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะรู้กายนะ เรารู้กายก็เห็นจิตเลยนะคือเรารู้กายจริงๆอะมันเช่นเรารู้กายเคลื่อนไหวรู้กายยืนเดินนั่งนอนก็เหมือนกันแต่จริงรู้กายเพื่อจะรู้จิตคือรู้คำว่ารู้จิตนี่ในที่นี้คือรู้จิตว่าไอ้ที่มันรู้น่ะมันรู้ด้วยความเป็นการไหมหรือว่ารู้ด้วยความที่เช่นบางทีจิตเราอ่ะมันไปถลันรู้ เช่นเรารู้เราเปิดจ้องเกินไปคือจิตเปิดจ้องนะไม่ใช่ตาเปิดจ้องนะถ้าจะเห็นข้างนอกก็เหมือนคล้ายๆคนเปิดจ้อง ม, มองนะแต่นี้เป็นใจที่มันมองเคยสังเกตยมเคยสมมตินะมาว่าไลายคนอาจจเคยเช่วชวอว่าเราไปร้านกาแฟแห่งหนึ่งเนาะบางคนก็กาแฟบางคนชอบชาก็ได้หรือบางคนชอบขนมก็ได้นะ เราไปสั่งเมนูสักอย่างนึงแล้วเราก็ขณะที่เราชิมคําแรกแบบ่ะรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกเหมือนพิจรารณาเนานะพิจรารณาในรสชาติพิจรารณาในกลิ่นอะไรเนะี่ยมมันจะมันจะไม่ใช่รู้เฉยแต่มันจะรู้แบบมีความเข้าไปอยู่ในความรู้สึกในอารมณ์นั้นเพราะเราอยากจะรู้ที่มันชัดนะจดจำนั้นหนะ เป็นตอนเป็นเด็กๆอ่ะถ้าได้ขนมอะไรขึ้นมาเนี่ยเราดีใจแล้วเช่นได้กุพมนะขนาดที่ผมนึกมเนี่ยมันจะมันจะดึงด่่งกับความรู้สึกนั้นนะเราปฏิบัติพวกเหมือนกันนะบางทีมาเคเห็นนะประบัติบางคนพี่คลณนเห็นจิตมันมันรู้สึกเลยว่าจิตเข้าไปอยู่กับตรงนั้นมันไปอยู่มากเกินไปยกก็คือเหมือนอยากจะอยู่ให้มันชัด ในระดับหนึ่งแล้วไปออกไม่ออกไม่ย อ, อแต่จริงมันมันไม่ต้องไปรู้ชัดขนาดนั้นนะมันแค่รู้เฉยเฉยไม่ใช่ไปรู้เหมือนอย่างที่ว่าเหมือนที่เราชิมอะไรแล้วมันมันไปเหมือนตกอยู่ในภาวะของอารมณ์นั้นมากเกินไปใ น, นความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปรู้ชัดแบบไปดิ่งอย่ตรงนั้นแค่รู้สึกเฉยเฉยนี่คือบางทีเราก็จะคิดว่าอ๋อแบบนั้นคือคือความรู้สึกตัวคือมีสติแต่จริงมันคือ เราหลงเขา้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นๆนะอนะืแต่นอกจากถ้าบางครั้งเราต้องทํางานที่ต้องเกี่ยวข้องเนาะอย่างเคยมีพระที่มาปวดสุกโตอวักไปก่อนเนี่ยเป็นเรียกสเปเชียลดิเรื่องการรสชาติกาแฟก็ต้องชิมให้รู้ความแตกต่างของกาแฟแต่และเนสายพันธุ์แต่และอะไรก็ก็ต้องอาศัยอันนี้เป็นสมมุติก็ต้อง ก็ต้องทํำะนะแต่เขาก็บอกพอสุดไปเนี่ยก็กังวลไม่รู้จะทาเหมือนเดิมไห้หรือเปล่าเพราะมันมีสติแล้วมันพอมันจะจะไปดิ่งแบบนั้นนะมันจะไม่ดิ่งนะมันจะมันจะถอนออกมาก็ไม่เป็นไรนะหางานใหม่เอาแล้วกันก็แน่นนะก็คือก็ให้เราเห็นตัวเองนะเวลามันดิ่งเกินไปนะอืม ดิ่งในการดูกายก็ดีดิ่งในการดูใจก็ดีอย่างที่ว่าดูกายนะก็จะเห็นจิตที่เห็นจิตเราเนี่แหละว่ามันมันเป็นจ้องมากเกินไปไหมคือบางทีจิตมันก็เช่นรู้แต่แบบแบบแบบก็ยังคิดอยู่คิดขนานกับเคลื่อนไหวนะมันเหมือนรู้เหมือนกันแต่มันมันเป็นคนละอานกันมันมันไม่ชัดนียอันนี้แสดงว่า มันเบาเกินไปนะก็ต้องตั้งใจมากขึ้นถ้าตั้งใจมากขึ้ น, นจะรู้สึกว่าไอ้ที่รู้มันก็อันหนึ่งหลยไอ้ที่คิดที่มันแทรกเข้ามาเนะี่ยมันเป็นอีสนาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาที่หลังนะฮะหรือพอมันคิดขึ้นมาพอรู้ปั๊บเนะี่ยความคิดนั้นก็หายไปเลยมันรู้สึกตัวชัดนะแต่มันอาจจะคิดใหม่อีกไม่เป็นไรนะบางครั้งหลายคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเดินไปก็ยังคิดแบบที่เป็นเรื่องได้เลย เดินก็ยังคิดเป็นเรื่องราวได้แต่งว่าตอนนั้นน้ำหนักของสติน้ำหนักของความรู้ตัว ม, มันไม่ชัดเจน <c oughs> แต่ถ้าเรารู้สึกตัวจริงนะมันจะความคิดนะั้นมันจะจบไปะแต่พอขณะที่มันอาจจะหยุดหรือขณะที่เราดื่มรู้กายความคิดอาจจะแทรกเข้ามาใหม่นะแต่มันเป็นตัวใหม่ที่เกิดขึ้นนานะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เหมือน อ่ามันต่อไปเรื่อยนะแต่มันจะเหมือนถูกหยุดขึ้นขนาดหนึงนะ่งแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นใหม่อ่ะไม่เป็นไรนั้นการรู้กายนะที่จริงรู้กายเพื่อจะดูว่าจิตใจที่รู้นั่นแนะ่ะมันปกติไหมนะมันปกติไหมก็คือว่ามันไปรู้แบบจ้องหรือบางทีมันรู้แบบเบาเกินไปนะแต่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องคอยมามอง ไอ้ตัวรู้ตอนนี้ไปบ่อยนะแต่คือเราจะเห็นว่าขนาดที่ดูนั้นอนะ่ะมันดูด้วยความเป็นกลางไหมหรือดูด้วยความถล้ำไปไหมนะเราก็ค่คอยๆฝึกดูนะนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นกลางตลอดหรอกแต่บางทีพอมันมากไปอ่ะมันเพ่งไปแล้วเราก็จะรู้สึกออเพ่งไปละเราก็จะผ่อนคลายขึ้นมาหรือมันเผลอไปละนะเราก็จะตั้งใจขึ้นอีกนิดนึงเหนะือนน่ะมันก็จะ มันก็จะเป็นกลางมันก็จะพอดีเข้ามันเนี่ยการรู้กายเราก็จะเห็นจิตรู้ความคิดรู้ความคิดก็คือไม่ใช่ไปรู้ว่าเราคิดอะไรเนรู้แบบนั้นนะคนทั่วไปเขาก็รู้หรือแม้แต่สัตว์เขาก็รู้นะนะอันนั้นเป็นรู้แบบสัญชาตญาณ น, นะรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่า มีโครงการอะไรเหมนนะัรู้เรื่องราวอย่างไรอนยะู่เนี่ยแต่รู้ว่ามันคิดเนะี่ยคือไม่ได้ไปไม่ได้ไปสนใจไอ้ตัวความคิดแต่รู้ว่าจิตมันเผลอไปคิด <c oughs> เพราะอะไรเพราะเราเดินจงกรมอยู่เรายกมือสร้างจังหวะอยู่เราไม่ได้ตั้งใจจะคิดแต่รู้ว่าจิตมันเผลอไปคิด จิตมันปรุงแต่งของมันเองอ๋อนะเห็นจิตมันเผลอไปคิดเนี่ยดูว่ามันคิดนะดูว่าความคิดนั้นก็ไม่ใช่จิตนะดูว่าความคิดนั้นมันเป็นเพียงแค่อาการที่มันเผลอไปนะจิตก็อันนึงความคิดก็อันหนึ่งเพียงแค่มันเผลอมันก็เลยถูกความคิดมันดึงไปเนี่ยคือรู้ความปรุงแต่งนะท่านใดที่เรารู้ทันความปรุงแต่งเมื่อนั้นแหละความปรุงแต่งก็จะหลอกเราไม่ได้ แต่ที่จริงที่ตอนเนี้ยเราเป็นสุขเป็นทุกข์นะอเป็นนั่นเป็นนี่จริงเพราะว่าถูกความปรุงแต่ง น, นั่นหลอกถูกความคิดหลอกนะความคิดก็ไม่ใช่ที่จริงที่เราทุกขเราทุกข์นี่ไม่ใช่เพราะใครนะเพราะเราไม่รู้ทันความคิดนะเขาว่านะที่จริงเขาเขาว่านะแต่พราะเราไม่รู้ทันเราก็เลยถูกหลอกเป็นให้โกรธถูกหลอกให้เอาคืนเขา ถูกหอกให้เป็นทุกข์นะแต่จริงถ้าแค่รู้สึกเฉยๆเนะี่ยมันจะจบนะรู้ทันเนะี่ยรู้กายเห็นจิตรู้คิดนะก็เห็นธรรมะธรรมะนะก็คือการปรุงแต่งพอรู้ทันการปรุงแต่งนะการไม่ปรุงแต่งมันก็เกิดขึ้นนยะสังขารเกิดขึ้นมาพอเห็นนะมันก็กลายเป็นวิสังขารนะวิสังขาร น, นะมันเป็นชื่อหนึ่งของนิพพานนะ พอเห็นการปรุงแต่งขึ้นมาความไม่ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเป็นวิสังขารก็คือสภาวะนิพพานเกิดขึ้นมาดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนี่ยนคือก็คือเห็นธรรมะตัวทีเนะ่เห็นเห็นนะเห็นนิพพานขึ้นที่ปรากฏต่อหน้า ต, ตาของเรานี่แหะนะการปฏิบัติธรรมมันเราไม่ต้องไปคิดวังผลอะไรมากมายนะ นี่ยเหมืนเชอว่า เ, เราได้ขั้นไหนแล้วเนะี่ยเราบรรลุทำระดับไหนแล้วเนะี่ยหมายว่าบางทีไปพูดแบบนั้นหรือไประลึกถึงแต่เรื่องนั้นมากบางทีมันกลายเป็นปฏิบัติแบบอยากได้นะ่ะอยากดีอยากเอาเอนนะั้นเคยมีความรู้สึกไหมเวลาเราฟังฟังเพื่อนนะับปฏิบัติแล้วเขาบอกว่าเขา เขารู้อย่างา ง, าางั้นอย่างนี้แล้วเขาได้อย่างงั้นอย่างงี้แล้วใจจะเป็นไงอยากได้ตามเขาเหรออยากรู้ตามเขานะี่ยจนบางทีเราได้ได้ฟังขั้นตอนต่างๆเราลึกไป็นไง เ, เราได้ขั้นไหนแล้วอย่างนี้ใช่ไนหะมแต่จริงนะโยมนะมันเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกอะ่ะโยมจะจบมหกจบปริญญาตรีโทโดยเอกนะ อันนี้มันจบไปแล้วนะแต่ตอนทํางานจริงๆเนี่ยบางคือคือปัจจุบันของเรานอะเราจะเห็นที่จริงสมมุติที่ว่าจบแตกต่างกันเนี่ยพอมาทํางานจริงๆนะบางทีไม่ได้เกี่ยวกับสมมตินั้นหลยคนจะทํางานเก่งหรือคนจะทํางานดีบางทีก็ไม่อยู่ที่ จ, จบอะไรหรอกการปฏิบัติ ท, ทํำก็เหมือนกันนะบางทีไม่ต้องไปแยกว่าเรา เราได้อะไรเรารู้เท่าไหร่แล้วบางทีมันเป็นการเป็นการวิจบทวิจบทเป็นการคิดเปรียบเทียบเทียบเทียมอย่านงะที่อาจารย์กําพลท่านว่านะนะตอนที่ท่านก่อนจะเสียท่านบอกบรรลุธรรมเป็นเพียงแค่แค่คําพูดเนาะแต่ความไม่ทุกข์คือของจริงนะคือบางทีคนก็ไปคาดหวังนะหรือว่าไปอยากจะได้ ว่าเราบรรลุธรรมนะแต่จริงความไม่ทุกข์เนี่ยคือของจริงที่เราสัมผัสที่ปัจจุบันเลยนไม่ต้องรอเราบรรลุธรรมหรือเปล่านะแต่เราสามารถไม่ทุกข์ที่ปัจจุบันได้เนี่ยคือของจริงนะและหมายว่าการเจอสติเนี่ยมันทําให้เราสัมผัสกับของจริงนล้วนะได้ตลอดเวลาเลยแล้วถ้าเราสัมผัสกับสภาวะนี้ได้นะเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาถามใครว่า เราปฏิบัติทําถูกหรือหรือผิดนะเราถูกทางหรือผิดทางนะนะใช่หรือเปล่าไม่ต้องเลยเพราะเราเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวเทียบวัดว่าขนาดเนี้ยมันทุกข์ไหมหรือไม่ทุกข์เนะีนะ่ยเนะี่ยเราก็เล้ว่าถ้าไม่ทุกข์ก็ถูกแล้วนะถ้าทุกข์ก็ผิดนะนี่คือเราก็ดูนะแต่ถ้าจะดูในเชิงปริยัตถ้าจะมาเปรียบเทียบนิดนึงนะก็ ก็ให้ดูไอ้ตัวหล่มนะอย่าไปดูไอ้ตัวที่ว่าขั้นวิปัสนาอะไรต่างดูตัวหลม่มเช่นวิปัสณูมันมีอะไรบ้างนะกินญาณมันมีอะไรบ้างนะวิปุราท ม, มีอะไรบ้างไปดูตรงนั้นนิดหนึ่งเพื่อจะได้ดูว่าถ้าเรายังไปติดมีความรู้สึกแบบนั้นแตดว่าเราไปติดมันเช่นติดอะไรบางคนก็ติดนิมิตนะ เกิดนิมิตขึ้นมาก็ไปหลงในนิมิตบางคนเกิดความรู้ขึ้นมาก็ไปหลงในความรู้ไปคิดว่าเราเป็นผู้รู้บางคนเกิดความรู้สึกว่าเหมือนรู้อะไรขึ้นมาก็อยากบอกอยากสอนคนอื่นก็เห็นใครก็ใจก็อยากจะไปบอกไปสอนทั้งหมดเนะี่นี่ก็คือหลงมาะดับหรืออย่างที่ว่าถ้าใจเรา ไม่เป็นกลางนะมันก็จะมีความชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้นะเกิดวิาพากษ์วิจาร์ขึ้นมาในใจถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะไปหลงในอาการเท่านั้นนะนี่คือถ้าจะรู้จริงก็คือรู้่าไอ้ตัวหลงนั่นแหละเพราะตัวหลงเนะี่ยถ้าเราไม่รู้่เราจะไปติดนะนักปฏิบัติธรรมที่ที่ไม่ไม่ก้าวหน้าก็คือไปติดสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาไปติดนิมิตบ้างนะ ไปติดในความรู้ความเข้าใจบ้างไปติดในการอยากจะบอกจะสอนผู้อื่นบ้างนะไปติดในสุขในทุกนี่แหละนะนะถ้าจะรู้ก็รู้รูแต่นี้แหละถ้ารู้แล้วมันจะมันจะมันจะผ่านได้นะมันจะผ่านนะคือรู้ในความหลงนี่แหละมันจะทําให้เราไม่หลงนะนะปฏิบัติธรรมก็ให้เราตรวจสอบตัวเองดูตัวเองแบบนี้แหะนะ แต่มันจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจได้ตัวของเราเองพระวาท่งนก็บอกว่าธรรมะนันเป็นเรื่องเรื่องประ จ, จักตังเนาะเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนไม่มีใครทำให้เรารู้ได้นะมีแต่เราเองที่ต้องฝึกหัดปฏิบัติธรรมเองแล้วก็จะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจได้ตัวของเราเองแต่ ที่มันเข้าใจนะที่จริงพูดแบบสมมตุติมันก็ไม่ใช่เรานะมันเป็นเรื่องของจิตใจที่มันรู้นะเป็นเรื่องของจิตใจที่มันปล่อยที่มันวางนะไม่ใช่เราไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราปล่อยไม่ใช่เราวางแต่จิตใจเขามีสติขึ้นมานะมีปัญญาขึ้นมานะจิตใจเขาก็มีอุบเบกขานะ มีการไม่ยึดติดมีการปล่อยมีการวางของของเขาเองนะนั้นที่จริงถ้าวาไปจริงไม่มีผู้รู้มีแต่อาการที่รู้นะไม่มีผู้พ้นทุกนะมีแต่อาการจิตที่เขาพ้นทุกนะั่นคือธรรมะนะที่แท้จริงเนาะก็ฝากพวกเราไว้คนะ